บทสรุปในปฏิจจสมุปบาทบัดนี้ข้าพเจ้าขอสรุปธรรมเทศนาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ว่าหลักปฏิจจสมุปบาทประกอบด้วยห่วงโซ่ที่คล้องกันอยู่ส2องห่วงโดยเริ่มต้นด้วยอวิชชาและจบลงที่มรณะอวิชชาและตัณหาเป็นรากเหง้าที่สำคัญและแบ่งเป็นวงจรของชีวิตสองวงจร คือวงจรแรกเรียกว่าปุพพันตะภวัจักรเริ่มด้วยอวิชชาและจบลงที่เวทนาส่วนวงจรหลังเรียกว่าอะปรันตะภวัจักรเริ่มด้วยตัณหาจบลงที่ชราและมรณะเนื่องจากทุกโทมนตสและความทุกข์อย่างอื่นไม่เกิดในพรหมโลกจึงไม่นามารวมไวในผลของการเกิดดังนั้น จึงไม่นับเนื่องเข้าในหลักปฏิจจสมุปบาทนอกจากนั้นในปุพพันตะพวัจจักยังได้กล่าวถึงอวิชชาและสังขารไว้โดยตรงแต่เมื่ออวิชชาเกิดขึ้นก็หมายความว่าตัณหาและอุปทานก็เกิดด้วยเมื่อสังขารเกิดกรรมมพบก็เกิดด้วยจึงเป็นอันว่าอดีต เหตุประกอบด้วยห่วงโซ่ห้าห่วงอวิชาตันาอุปทานสังขารและกรรมภพส่วนวิญญาณนามรูปอยตนะผัสสะและเวทนาห้าอย่างนี้เป็นปัจจุบันผลผลห้าอย่างนี้อาจเป็นผลของกุศ ล, ลกรรมหรืออกุศ ล, ลกรรมซึ่งเกิดในขณะเห็นได้ยินเป็นต้น ส่วนในอปรันต์ภวจักกล่าวถึงตัณหาอุปทานและกรรมภพไว้โดยตรงแต่ก็หมายถึงอวิชชาและสังขารด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเหตุจึงประกอบด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานสังขารและกรรมภพเช่นเดียวกับองค์ธรรมในอดีตเหตุปัจจุบันเหตุชักนําให้มีชาติชารา และมรณะในอนาคตอนาคตผลยังรวมถึงองค์ธรรมซึ่งได้แก่วิญญาณ น, นามรูปอายตนะภาษะและเวทนาเช่นเดียวกับปัจจุบันผลดังนั้นองค์ธรรมในปฏิจจสมุปบาทจึงจัดแบ่งไว้เป็นสี่กลุ่มกลุ่มละห้าอย่างได้แก่อดีตเหตุหปัจจุบันผลหปัจจุบันเหตุห้า และอนาคตผล5โดยมีที่สืบต่อระหว่างกลุ่มของเหตุและกลุ่มของผลรวมสามแห่งคือหนึ่งระหว่างอดีตเหตุและปัจจุบันผลสองระหว่างปัจจุบันผลและปัจจุบันเหตุสามระหว่างปัจจุบันเหตุและอนาคตผลความเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นของสภาวธรรมต่าง เหล่านี้ได้เห็นชัดในกลุ่มทั้งสี่ที่ประกอบด้วยองค์ธรรมรวม20สอย่างซึ่งพระบาลีเรียกว่าอาการองค์ธรรมเหล่านี้อาจจาแนกตามวัตตะสามได้ดังนี้คือกิเลสวัดกรรมวัดและวิปากวัดดังได้อธิบายแล้วในบทก่อ น, อนผู้ที่ประกอบกรรมดีย่อมวนเวียนเกิดในมนุษยโลก เทวโลกและพรหมโลกแต่ผู้ประกอบกรรมชั่วย่อมต้องเสวยทุกข์ในอบายภูมิสัตว์ทั้งหลายที่ถูกจองจำอยู่ในสังสารวัฏจะมีโอกาสทำกรรมดีได้ต่อเมื่อพบครูที่ดีแต่ครูที่ดีนั้นพบได้ยากดังนั้นบุคคลส่วนมากจึงมักทำกรรมชั่วทำให้ต้องได้รับผลเป็นความทุกข์ ดังที่กล่าวกันว่ากรรมตามสนองหรือต้องชดใช้กรรมต่อเมื่อผู้นั้นได้บรรลุมรรคญาณแล้วจึงจะแคล้วคลาดจากการเกิดในอบายภูมิแต่ก็ยังต้องเสวยผลวิบากของกรรมอยู่แม้แต่พระพุทธองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังไม่สามารถหนีพ้นผลของกรรมได้ การตัดกิเลสวัดหากมีความประสงค์จะหยุดวัตตะทั้งสามไม่ให้หมุนเวียนต่อไปก็จําเป็นต้องทําลายเหตุของวัตตะซึ่งได้แก่กิเลสวัดวนเวียนกิเลสเนื่องจากกิเลสเกิดขึ้นในขณะที่เห็นและขณะที่ได้ยินเป็นต้นเราจึงจําเป็นต้องเจริญสติในขณะที่เห็นและ ขณะที่ได้ยินเป็นต้นเพื่อป้องกันไม่ให้กิเลสมีโอกาสได้เกิดการเจริญวิปัสนาจนกระทั่งเกิดมรรคยานจะทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมรับรู้ความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีแก่นสารของสภาวธรรมทั้งปวงเมื่อจะไม่มีความหลงผิดและเป็นอิสระจากกิเลสวัดกรรมวัดและวิปากวัด ตัวอย่างเช่นการไม่รู้ถึงสภาวะเห็นได้ยินเป็นต้นตามความเป็นจริงจัดเป็นอวิชาที่หลงผิดว่าเป็นตัวเราของเราที่เที่ยงเป็นสุขบังคับบัญชาได้และเป็นสิ่งที่ดีงามน่าปรารถนาเมื่อหลงผิดย่อมเพลิดเพลินยินดีจัดเป็นตัญหา ต่อจากนั้นจึงยึดมั่นด้วยอุปทานทั้งสามอย่างนี้เป็นกิเลสวัดผู้ที่ยึดมั่นอยากจะได้มาเป็นสมบัติของตนย่อมทำกรรมดีหรือกรรมชั่วสังขารและกรรมภพจึงเกิดขึ้นเป็นกรรมวัดอีกคลังจากนั้นวิปากวัฏทั้งห้อย่างคือวิญญาณนามรูปอเยตนาภาัสสะและเวทนา ย่อมเกิดขึ้นในภพต่อไปโดยเป็นผลของกรรมวัตรส่งผลให้มีชาติชาราและมรณะรวมไปถึงความเศร้าโศกเป็นต้นแม้ในภพหนึ่งภพหนึ่งกิเลสวัดและกรรมวัตรก็เกิดขึ้นโดยอาศัยวิปากวัตรอีกเป็นห่วงโซ่ที่ไม่มีวันจบสิ้นตราบยังมีต้นตอคืออวิชชาและตัณหาอยู่ บุคคลต้องตัดกิเลสวัดด้วยมรรคยานได้แล้วจึงจะหยุดวงจรอุบาทนั้นได้ที่จริงแล้วบุคคลไม่อาจทำลายกิเลสวัดที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะเป็นสิ่งที่ดับไปแล้วจึงจำเป็นต้องกำหนดรู้สภาวะเห็นได้ยินเป็นต้นที่ปรากฏในปัจจุบันขณะเท่านั้นเพื่อไม่ให้กิเลสวัดได้โอกาสเกิดขึ้น เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสติระลึกรู้เท่าทันรูปนามปัจจุบันในขณะเห็นเป็นต้นสมาธิจะค่อยๆพัฒนามีกำลังมากในขณะนั้นเขาอย่างรู้ด้วยประสบการณ์ของตนว่าสภาวะเห็นรูปที่เห็นและสติที่ระลึกรู้ได้เกิดดับอย่างรวดเร็ว จึงเข้าใจว่าเป็นเพียงสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในขณะนั้นความหลงผิดว่าเที่ยงเป็นต้นย่อมไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนี่คือลักษณะที่อวิชชาถูกกำจัดไปเมื่อไม่มีอวิชชากิเลสวัดอื่นคือตัณหาอุปทานและกรรมวัดคือสังขารกรมภพ ย่อมไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเนื่องด้วยความหลงผิดและเมื่อกรรมวัฏถูกกาจัดไปอย่างนี้วิปากวัฏที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยอำนาจของกรรมวัฏก็พลอยขาดศูนย์ไปด้วยเช่นเดียวกันที่กล่าวมานี้เป็นการดับวัฏตะสามโดยชั่วคราวด้วยตตังท่าหานต่อเมื่อมรรคยานปรากฏขึ้นแล้ว ด้วยกำลังวิปัสนาที่สั่งสมไว้ในกระแสจิตวัตตะสามย่อมขาดศูนย์ไปโดยเด็ดขาดตามสมควรอรหันตคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาชี้ทางสว่างแก่มวลชนที่สแสวงหาโมกษะ พระองค์ทรงแสดงหลักปฏิจจสมุปบาทอันเป็นวงจรของรูปนามที่เป็นเหตุผลของกันและกันเพื่อให้ชาวพุทธคลายความหลงผิดในตัวตนและสามารถปฏิบัติธรรมเพื่อตัดวงจรของวัตตะทั้งสามได้ในที่สุดของธรรมบัญญายเกี่ยวกับหลักของปฏิจจสมุปบาทนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะอธิบายคุณธรรมที่สําคัญของพระพุทธเจ้าสองประการคืออรหันตคุณและสัมมาสัมพุทธคุณเพื่อการระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระบรมศาสดาอารหันตคุณมีความหมายห้าประการดังนี้ 1. ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์จากกิเลสโดยคําว่าอารหังมาจาก อารักกาไกลจากกิเลสเปลี่ยนอารักกาเป็นอรหังหมายความว่าถึงแม้พระอรหันต์ทั้งหลายก็มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันนี้แต่ว่าพระอรหันยังไม่หลุดพ้นจากความเคยชินที่ได้สั่งสมมาในอดีตชาติดังเช่นในกรณีของท่านพระปิลินทวัชเถระ ซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เลิศกว่าสาวกอื่นผู้เป็นที่รักของเทวดาแต่มีปกติทักทายเพื่อนภิกษุและขลือหัดด้วยคำหยาบว่าคนถอยลาวภิกษุหลายรูปได้กราบทูลพระพุทธองค์ถึงเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบว่าพระปิลินทวัชจะกล่าวคำหยาบ ด้วยความเคยชินที่ได้เคยเกิดเป็นพรามาห้าร้อยชาติจึงตรัสว่าท่านพระปิลาวัชฉะได้ละกิเลสแล้วมีจิตบริสุทธิ์ทำที่กล่าวจึงไม่มีเจตนาและไม่มีโทษแต่พระพุทธองค์ทรงเป็นอิสระหลุดพ้นจากวาสนาความเคยชินและกิเลสที่มาในอดีตชาติทั้งหมด จำเดิมตั้งแต่การที่ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจึงควรระลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้ในเวลาที่เจริญพุทธานุสติว่าพระพุทธองค์ทรงดับการเวียนว่ายในวัฏสงสารได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งหมายถึงการเป็นอิสระจากกิเลสวัดกรรมวัดและวิปากวัฏสอง ทรงกำจัดศัตรูคือกิเลสได้แล้วโดยคำว่าอารหังมาจากอารหังขจัดศัตรูคือกิเลสเปลี่ยนอริหังเป็นอรหังหมายความว่าคนทั้งหลายกลัวศัตรูภายนอกเช่นโจรและงูเป็นต้นแต่กลับไม่หวั่นกลัวศัตรูที่อยู่ภายใน ซึ่งได้แก่กิเลสตัณหาที่ชั่วร้ายกว่าศัตรูภายนอกมากมายนะักความจริงพวกเขาต้องทุกข์ร้อนเพราะรูปนามและกิเลสเป็นสาเหตุใหญ่รากเหง้าของทุกข์ก็คือกิเลสที่ทําให้เกิดภพใหม่เพราะการเกิดใหม่ก่อให้เกิดทุกข์ กิเลสดังกล่าวมีสิบอย่างคือ 1. โลภะมีความอยากได้ 2. โทสะความโกรธ 3. โมหะความหลง 4. มานะความถือตัว 5. ทิฐิความเห็นผิด 6. วิจิกิจชาความลังเลสงสยัย 7. ถีนะ ความหดหู่ท้อถอย 8. อุทธจักรความฟุ้งซ่าน 9. อหิริกะความไม่ละอายต่อบาป 10. อโนตตัปปะความไม่เกรงกลัวผลบาปกิเลสทั้งสิบอย่างเหล่านี้รับเอารูปนามภายในและรูปนามภายนอกเป็นอารมณ์ รูปนามภายในเป็นนามธรรมคือจิตและเจตสิกห้าสิบสานิพพานรูป18ปอากาสาธาติหนึ่งลักษณะรูปสามคือชาติชาราอานิจจารูปนามทั้งหมดนี้เกิดภายในตนรวมเป็น75้าอย่างแม้รูปนามภายนอกก็มี75ิบห้าอย่างเช่นกัน รูปนามภายในและภายนอกทั้งหมดได้ร้อยห้าสิบอย่างเมื่อคูณด้วยกิเลสสิบก็รวมเป็นกิเลสหนึ่งพันห้าร้อยอย่างสามผู้ควรรับของบูชาโดยคำว่าอารหังมาจากอารหะธาตุสมควรหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิปัญญาวิมุตตและวิมุตติยานทัศนะจึงเป็นผู้ควรรับของบูชาเพราะทรงเป็นทักกินายบุคคลอันเลิศที่ทำให้ผู้ที่ถวายสักการะและของบูชาสมหวังดังมโนรสสี่ผู้ไม่มีที่รับในการทำชั่วโดยคำว่าอารหังมาจากอะ ไม่มีระหะที่ลับหมายความว่าคนจํานวนมากมีพฤติกรรมน่าไหว้หลังหรอกทําตัวเป็นคนดีในสาธารณะแต่เมื่อไม่มีใครเห็นหรือได้ยินก็อาจทําชั่วได้ในความเป็นจริงไม่มีที่ใดที่คนเราจะสามารถทําชั่วได้โดยไม่มีใครเห็นแม้คนหรือเทวดาจะไม่เห็น แต่ตัวเราเองก็ต้องมีความสำนึกว่าได้ทำผิดมโนธรรมของเราเองย่อมเป็นพยานที่ไม่สามารถจะหลบซ่อนได้และจะเป็นผู้ที่ปรุงแต่งนิมิตที่ไม่ดีในขณะใกล้าตายซึ่งทำให้ต้องไปเกิดในภพที่ไม่ดีเนื่องด้วยพระพุทธองค์ได้ทรงกำจัดกิเลสได้สิ้นเชิงแล้ว จึงทรงมีพระหาลุทัยที่บริสุทธิ์หมดจดทรงบริบูรณ์ด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณไม่ว่าในที่ลับหรือที่แจ้งห้าผู้ทําลายซีกรรมของวงล้อโดยคำว่าอาระหังมาจากอะระหังผู้ทําลายซีกรรมเปลี่ยนอะราหังเป็นอาระหังหมายความว่า วงล้อในที่นี้คือวงล้อแห่งภพหรือภวัจักตามที่ได้อธิบายแล้วในหลักปฏิจจสมุปบาทขวานในที่นี้พระพุทธองค์ทรง ท, รงทาลายซี่กรรมคือกิเลสของวงล้อดังกล่าวด้วยขวานคือปัญญาในอรหัตตมักดุมล้อหมายถึงอวิชชาซึ่งเป็นรากเหง้าของภพ กงล้อหมายถึงชราและมรณะส่วนซี่กรรมหมายถึงองค์ธรรมอื่นๆที่เป็นห่วงโซ่ที่อยู่ในระหว่างกลางของปฏิจจสมุปบาทเริ่มตั้งแต่สังขารจนถึงชาติการทําลายซี่กรรมทําให้ล้อไม่สามารถหมุนไปได้ฉันใดการทําลายห่วงโซ่ที่เป็นเหตุเป็นผลในระหว่างกลางของปฏิจจสมุปบาท ก็ทําให้วงล้อแห่งพบไม่สามารถหมุนไปได้ฉะนั้นเรื่องพระกาพรหมคำว่าอารหันที่กล่าวถึงการทําลายซี่กรรมของพวัวจจานั้นเป็นเพียงโวหารเท่านั้นเพราะเมื่อองค์สิบ ที่อยู่ตรงกลางขององค์สิบสองถูกทำลายไปอวิชาอันเหมือนดุมและชารามรณะอันเหมือนกงล้อก็ใช้การไม่ได้ส่งผลให้องค์สิบสองของปฏิจจสมุปบาทถูกทำลายไปที่จริงแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำเพื่อหยุดวงล้อแห่งภพไม่ให้หมุนต่อไปก็คือจะต้องกำจัดรากเหง้าของภพซึ่งได้แก่ อวิชาเนื่องจากอาวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นต้นเรื่อยไปจนกระทั่งถึงชราและมรณะที่กล่าวมานี้เป็นจริงสำหรับกามัพภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิดังสาธกในเรื่องภากาพรหมครั้งหนึ่ง มีเท้ามหาพรหมนามว่าพกาพรหมมีชีวิตยืนยาวหลายร้อยกับในชาติก่อนท่านเกิดเป็นลือีเจริญกสินจนบรรลุฌานที่สหลังเสียชีวิตแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่สชื่อเวหัพลามีอายุยืนยาวห้าร้อยกับ ต่อมาท่านเจริญฌานจนบรรลุฌานที่สามแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่สามชื่อสุภกินหามีอายุยาว64กับต่อจากนั้นได้เจริญฌานจนบรรลุฌานที่สองแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่สองชื่ออภัสรามีอายุยืนยาว8กับ ในที่สุดได้เจริญฌานจนบรรลุฌานที่หนึ่งอย่างช่ำชองแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่หนึ่งเป็นเท้ามหาพรหมท่านอยู่ในพรหมโลกมานานจนกระทั่งลืมไปว่าได้เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนจึงมีความเชื่อว่าชีวิตของพรหมเป็นชีวิตที่ไม่แก่ไม่ตายพระพุทธองค์ได้เสด็จไปพบท่านที่พรหมโลก เพื่อกำจัดความเห็นผิดภกาพรหมได้ต้อนรับพระพุทธองค์แล้วโอ้อวดว่าชีวิตของพรหมเป็นชีวิตอมตะพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าภกาพรหมเป็นผู้เคลาอย่างไม่น่าเชื่อที่ปฏิเสธความไม่เที่ยงความแก่และความตายหลังจากนั้นได้ทรงแสดงให้ภกาพรหมทราบถึงกรรมที่ ได้ทําให้เขาได้มาเกิดเป็นพรหมที่มีอายุยืนนานและความมีชีวิตที่ยืนนานของพรหมนั้นนั่นเองที่ทําให้ลืมชาติที่แล้ ว, ลวมาและหลงผิดไปว่าพรหมไม่ตายเมื่อพกาพรหมได้ยินดังนั้นจึงเริ่มสงสัยว่าตนเข้าใจผิดแต่ก็ยังมีความเย่อหยิ่งอยู่ต้องการจะแสดงอนุภาพของตน จึงพยายามหายตัวจากพระพุทธองค์แต่ด้วยพุทธานุภาพจึงไม่สามารถทำได้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสพระคถ า, าว่าเราไม่สละเสรินพบใดๆเพราะเห็นภายในพบและเห็นพบของผู้สแสวงหาความไม่มีพบอีกทั้งเราได้ปล่อยวางตัณหาแล้วในคำพีอัตถกถาของมัชฌิมานิกายกล่าววา่า หมู่พรหมีประมาณหมื่นหนึ่งที่ได้ดื่มน้ำอมฤตแห่งมรผลบาลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลด้วยการเจริญวิปัสนาตามพระธรรมเทศนาข้างต้นการไปเกิดเป็นรูปประพมและอรูปภพมด้วยอวิชชาเป็นต้นเหตุ พระกาพรหมและพรหมทั้งหลายที่มีชีวิตที่ยืนยาวมากจนคิดว่าพรมโลกนั้นเที่ยงและยั่งยืนอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับบุคคลที่มีชีวิตที่สุขสบายมีสุขภาพดีร่ำรวยทรัพย์ประสบความสำเร็จพลั่งพร้อมด้วยเกียรติยศและบริวารย่อมมองไม่เห็นความทุกข์แต่ชีวิตไม่ว่าในพรมใด ไม่ว่าจะเป็นกา ร, รมภูมิรูปภูมิหรืออรูปภูมิก็ตามย่อมถูกความทุกข์บีบคั้นด้วยกันทั้งสิน้นถึงแม้พรหมนรูปภูมิหรืออรูปภูมิซึ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หลายร้อยกับก็ยังต้องตายเมื่อหมดอายุจะเห็นได้ว่าประกาพรหมหลงผิดว่าพรหมโลกชั้นรูปภูมิ เป็นสถานที่นิรันด์ไม่แก่ไม่ตายจึงเกิดตัณหาและอุปทานด้วยอำนาจของอวิชชาแล้วบาเพ็ญให้เกิดจตุทธฌานอันจัดเป็นสังขารและกรรมภพเข้าไปเกิดในชั้นเวหัาพลาด้วยกรรมภพนั้นหลังจากนั้นจึงได้บาเพ็ญตติยฌานจึงไปเกิดในชั้นตติยฌานภูมิ ต่อมาได้บำเพ็ญทุติยชานจึงไปเกิดในชั้นทุติยชานพูงในที่สุดก็ได้บำเพ็ญปฐมชาญจึงไปเกิดเป็นมหาพรหมในชั้นปฐมชาญพูงแม้ผู้ที่ไปเกิดเป็นอรุปภพูงในอรุปภูมิก็เช่นเดียวกันเขามีความหลงผิดว่าอรุปภพูิเป็นสถานที่นิรัน์ไม่แก่ไม่ตาย จึงบำเพ็ญอรูปฌานที่ส่งผลให้ไปเกิดในอรูปภูมิปฏิสนธิวิญญาณที่ไม่อาศัยหัยวัตถุจึงปรากฏในอรูปภูมิด้วยสังขารคืออรูปฌานและในขณะเดียวกันผลทั้งห้าประการคือนามอายตนะผัสสะและเวทนา ย่อมเกิดร่วมกับปฏิสนธิวิญญาณผู้ที่ไม่ได้อย่างเห็นว่าผลนั้นดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะของไตร ล, ลักษณ์ย่อมทำเหตุในปัจจุบันคือตัณหาอุปทานและกรรมภพส่งผลให้เกิดชาติชาราและมรณะในภพต่อไปเพราะทำเหตุในปัจจุบันไว้เรื่องของอาลารดาบท เป็นตัวอย่างในที่นี้อลาระดาบทหลงผิดว่าอากินจัญญายตนะภูมิเป็นแดนนิรัน์ไม่แก่ไม่ตายจึงเกิดตัณหาที่พอใจอีกทั้งอุปทานที่ยึดมั่นในภูมิและฌานดังกล่าวจึงพยายามปฏิบัติจนบรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยกำลังของอุปทาน ในที่สุดก็ได้รับผลห้าประการมีปฏิสนธิวิญญาณในอากินจัญญายตนะโภมิการเกิดขึ้นเบื้องแรกของผลทั้งห้าประการนี้เป็นชาติการมีชีวิตอยู่ตลอดหกมืนกับเป็นชาราส่วนการจุติในที่สุดเป็นมรณะแม้อุตกะดาบท ก็หลงผิดว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเป็นแดนนิรัน์ไม่มีแก่ไม่มีตายจึงพยายามขวนขวายปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเขาได้รับปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นในภูมิดังกล่าวเมื่อดำรงอยู่แปดหมื่นันกับแล้วจึงหมดอายุขยไปตามวาระ จะเห็นได้ ว, ว่าอุทกกดาบทกล่าวว่าตนนั้นเป็นผู้ชนะวัตทุทุกทั้งปวงแล้วสัพพชีด้วยความหลงผิดว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะอายตนะภูมินั้นเป็นแดนหลุดพ้นจากวัตตะสงสารที่กล่าวมานี้เป็นการหมุนวนของสังสารจักเริ่มตั้งแต่อวิชาจนถึงมรณะในอรูปภูมิ สัมมาสัมพุทธคุณความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระพุทธองค์นั้นหมายความถึงปัญญาที่ตรัสรู้อริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยชอบซึ่งหมายความว่าพระสาวกเป็นผู้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงตรัสรู้ได้แม้พระประเจกับพุทธเจ้าก็ไม่อย่างรู้ธรรมอย่างบริบูรณ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งไม่อาจแสดงทำให้ผู้อื่นรู้ตามดังนั้นพระประเจกพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าจึงไม่ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะอริยสัจสี่นั้นจำแนกได้ห้าประการคือ 1. อภินโยยธรรมทรรมที่พึงรู้ได้ด้วยปัญญาอันพิเศษหมายถึงอริยสัจสี่ทั้งหมด 2. ปริญญาญธรรมธรรมที่พึงรู้ชัดหมายถึงทุกขศาสตร์สามปหาตัปพรธรรมธรรมที่พึงขจัดหมายถึงสมุททยาศาสตร์สี่สัจจิกาตัปพรธรรมธรรมที่พึงกระทำให้แจ้งหมายถึงเนโรธศาสตร์หาภาเวตัปพรธรรมธรรมที่พึงอบรมหมายถึง มัคคสัตพระโพธิสัตว์สิท ธ, ธัตถะมิได้เรียนรู้อริยสัจ4จากอราลดาบทและอุทธกาดาบทหรือจากบุคคลอื่นใดพระองค์ไม่เคยได้ทราบหลักปฏิจจสมุปบาทหรือความเกิดดับของอุปาทานขันหจากผู้ใดทั้งสิน้นแต่ทรงพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลตามหลักปฏิจจสมุปบาทว่า ชราและมรณะเกิดจากอะไรทรงเข้าใจว่าเกิดจากชาติชาติเกิดจากอะไรทรงเข้าใจว่าเกิดจากกรรมกรรมเกิดจากอะไรทรงเข้าใจว่าเกิดจากอุปทานอุปทานเกิดจากอะไรทรงเข้าใจว่าเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากอะไรทรงเข้าใจว่าเกิดจากเวทนาที่รู้สึกดีหรือไม่ดี ดังนี้เป็นต้นหลังจากนั้นจึงทรงกระทาการกำหนดรู้สภาวะเกิดขึ้นและดับไปของอุปทานขันห้าได้พัฒนาวิปัสสนาญาณตามลำดับจนได้บรรลุนิพพานคือความดับรูปนามทั้งสิน้นด้วยอรหัตตมัคคยานดังนั้นพระพุทธองค์จึงเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจสี4ด้วยพระองค์เองโดยชอบ หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อริยสัจสีด้วยพระองค์เองและแทงตลอดพระนิพพานแล้วพระพุทธองค์จึงได้รับสมัญญานามว่าสัมมาสัมพุทธะทรงทราบว่าสภาวธรรมทั้งปวงที่เป็นไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาทคือทุกข์และเหตุของทุกข์ที่แท้จริงทรงทำลายความเห็นผิด และความยึดมั่นบรรลุ ถ, ถึงความหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งปวงดังนั้นคำพีวิสุทธิมักจึงกล่าวว่าเหตุที่ได้รับพระนามว่าอารหันต์เพราะทรงทําลายซี่กรรมของวงล้อแห่งชีวิตได้โดยสิ้นเชิงแล้ว